เดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักอย่างที่ทุกคนทราบกันเรื่องของเรื่องของความรักของเราแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่เรื่องของความรักในปัจจุบันถ้าทุกท่านมีโอกาสได้คิดใคร้ควรดีๆจะแตกต่างจากความรักดั้งเดิมของพระเจ้าที่มีไว้ให้กับมนุษย์ตั้งแต่ยุคปฐมกาลอย่างสิ้นเชิงก็ว่าได้ ในมัทธิวบทที่24ข้อ12ได้บอกไว้ว่าความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอาธรรมแผ่กว้างออกไปข่าวในโทรทัศน์ในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าคนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นเฉลี่ยแล้วมีคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายส่วนฆาตกรรมนั้นต่างหาก วันละประมาณ12คนและสาเหตุอันดับหนึ่งมาจากปัญหาของความรักซึ่งแต่ก่อนปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจวันนี้ถ้าคิดดูดีๆเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นกับสภาวะจิตใจของผู้คนเหล่านั้นที่ตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่ควรทําลงไป และเช่นเดียวกันปัจจุบันที่เรารเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือความคิดของคนที่ขัดแย้งกันนำไปสู่อุดมการที่แตกแยกและจบลงถ้าเป็นประเทศไทยก็จบลงที่คาบอมทางภาคใต้การกราดยิงที่โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาและระเบิดพื้นชีพ ในตะวันออกกลางยังไม่พูดถึงการรบราค่าฟันกันการทําสงครามในที่อื่นๆเป็นเพราะความเกลียดชังเกิดขึ้นคนไม่มีความรักให้กันและกันในยากอบบทที่4ได้กล่าวถึงการเป็นมิตรกับโลกไว้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของสงครามและอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลวิวาทกันในพวกท่าน ไม่ใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือที่ทําให้ท่านต่อสู้กันท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะกันและทําสงครามกันมนุษย์เราไม่เพียงแต่เริ่มไม่รักกันในเวลานี้ไม่รักกันมาพอสมควรแล้วเรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายซึ่งเราจะเห็นได้ชัดในเวลาต่อๆไป ที่ความรักกำลังเงยือกเย็นลงเบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้ยอนซึ่งเคยมีคนเรียกยอนท่านนี้ว่าเป็นนักโทษแห่งความรักจดหมายของยอนที่ออกมาส่วนใหญ่จึงพูดถึงเรื่องของความรักโดยมีหลายอย่างที่คล้ายคลึง ก, กันกับพระกิติคุณยอนโดยเฉพาะในจดหมายของท่านท่านเขียนด้วยข้อความสั้นๆใช้ศั์ง่าย เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึง้งโดยมีบางครั้งท่านพูดถึงสิ่งที่เป็นความขัดแย้งกันเช่นความมืดกับความสว่างโดยเฉพาะความรักกับความเกลียดชังเป็นต้นและคำว่ารักในจดหมายฉบับนี้ก็เช่นกันใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยใช้ทั้งหมดในพระธรรมหนึ่งยอนประมาณ43สาครั้งและในส่วนของ ส่วนที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักใช้ประมาณ32ครั้งและเมื่อใดก็ตามที่ยอนมีโอกาสได้เขียนเรื่องของความรั ก, รร ก, ท, ก, รรรกท่านก็จะมีตัวชี้วัดให้ผู้อา่านมีโอกาสได้ไข้ครวญมีโอกาสได้คุ้นคิดและแต่ละครั้งเนียตัวชี้วัดเหล่านี้ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามีโอกาสได้คิดตามไปและมีโอกาสได้นำไปใช้ในชีวิตของเราเราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นบททดสอบบททดสอบหนึ่ง ในการดําเนินชีวิตจริงของเราและในพระมัณฑ์ในพระธรรมวันนี้คําพูดที่ย้อนพูดซ้ํากันครั้งแล้วครั้งเล่าพูดซ้ําแล้วซ้าเล่าก็คือประโยคที่ว่ารักซึ่งกันและกันผมจึงขอเพิ่มเติมไปตั้งแต่ข้อ7ไปจนถึงข้อ12เพื่อที่ทุกท่านจะเข้าใจถึงเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้น ตลอดเดือนที่ผ่านมาเดือนมกราคมเรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องความรักของพระเจ้ามาการตลอดทั้งเดือนและเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์อย่างที่ทุกท่านทราบคือเดือนแห่งความรักโดยเฉพาะเป็นความรักต่อเพื่อนมนุษย์เราจรึงจะนําสิ่งที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้เมื่อเดือนที่แล้วตลอดทั้งเดือนมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของเราในเดือนนี้ โดยเช้านี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่าทําไมเราจึงต้องรักซึ่งกันและกันจากพระพี์ตอนนี้หนึ่งย่อนบทที่4ข้อเจถึง12ในหัวข้อเรื่องของความรักแต่ก่อนที่เราจะมีการได้เรียนรู้ด้วยกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าพระบิดาเราทั้งหลายสารรเสริญและโมทนาพระคุณของพระองค์ข้าพองทั้งหลายขอบคุณพระองค์สําหรับ เวลานี้ที่มาอยู่ร่วมกันในพระวิหารของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดสอนข้าพระองคทั้งหลายผ่านทางพระเจนะของพระองค์ประทานสติปัญญาให้แก่ข้าพระองค์แต่ละคนโดยเฉพาะความเข้าใจถึงน้ําพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์แต่ละคนนั้นเป็นสิ่งสําคัญเพื่อที่สิ่งที่ข้าพระองคทั้งหลายเรียนรู้นั้นจะได้รับการทรงนําจากพระองค์เพื่อที่จะ ไปเกิดผลดีในการดาเนินชีวิตและจะมีชีวิตเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกๆวันจึงขอมอบเวลาต่อแตนี้ไปไว้ในการทรงนำและอวยพรจากพระองค์และข้าพมทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันกราบทูนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรื่องของความรักที่ว่านี้ประการแรกเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าปรากฏอยู่ในข้อ7ข้อ8ที่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 นอกจากเป็นพระลักษณะของพระเจ้าแล้วยังเป็นเครื่องหมายของคริสเตียนทุกท่านรับทราบเมื่อเราคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะรู้จักว่าคริสเตียนสัมเดงความรักสัมดงการให้สัมดงสิ่งต่างๆออกไปอย่างตัวและสิ่งที่พระพุทธพีตอนนี้บอกก็คือพระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแหล่งกําเนิดของความรักเพราะในข้อเจบอกว่าอย่างชัดเจนว่าเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า นอกจากความรักเป็นพลลักษณะหนึ่งของพระองค์แล้วในข้อ8ดย้าว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักดังนั้นทุกคนที่รักหรือแสดงความรักออกมาเขาก็ได้สําเดงพลลักษณะของพระเจ้าออกมาเช่นเดียวกันและที่สำคัญกว่านั้นก็คือทุกคนที่รักแสดงว่าเขาบังเกิดมาจากพระเจ้าเขาเป็นลูกของพระเจ้าเพราะเขามีลักษณะของพระองค์คือความรักอยู่ในชีวิตของเขา ในประถมะการบทที่หนึ่งข้อ26 27ได้พูดถึงการที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์มนุษย์จึงมีพระฉายาของพระเจ้าหรือมีพลักษณะของพระองค์อยู่ในชีวิตบางลักษณะหรือบางอย่างแต่หลังจากที่อาดัมกับเอวาล้มลงในความผิดความบาปนับตั้งแต่นั้นมาฉายาหรือลักษณะต่างๆเหล่านี้ที่อยู่มีอยู่ในตัวมนุษย์ก็ดูเจือจางไปดูเลือนรางไป ผมอยากให้เราดึกถึงพระพีตอนที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายเพื่อไปนำบัญญัติสิประการลงมาให้ชนชาติอิสราเอลพระพีไม่ได้บันทึกไว้ว่าโมเสสขึ้นไปนานขนาดไหนแต่รู้แต่เพียงว่าเมื่อท่าลนลงมาท่านต้องใช้ผ้าคลุมหน้าเพราะหน้าแสงจ้าเต็ไมไปด้วยสง่าราศรีของพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้ามาก เราทั้งหลายเช่นเดียวกันวันใดที่พี่น้องม่กเจอผมหรือเจอพี่น้องสมาชิกที่หน้าอาจจะมองๆ อ, อาจจะเป็นเพราะว่าพึ่งพาตัวเองมากกันไปไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าเท่าที่ควรเพราะถ้าเราเพึ่งพาพระเจ้าสง่าราศีของพระเจ้าจะประากฏอยู่ในลูกลูกของพระองค์อยู่ในใบหน้าของเราผมอยากจะให้ทุกท่านมีโอกาสได้ ดูความรักรูปความรักต่อไปนี้ค่อยๆเปิดไปช้าๆนะครับว่าแล้วพี่น้องลองคิดตามว่าความรักของเราความรักของท่านทุกคนเป็นความรักแบบไหนอยู่ในขณะ น, นี้ภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ภาพที่ห้าภาพที่หภาพที่เจ็ด และภาพสุดท้ายเปิดแป๊บเดียวแล้วเปลี่ยนเลยนะครับเพราะใช้คำพูดไม่เหมาะสมเปลี่ยนเป็นหน้าอื่นเลยครับครั บ, รบพะเมื่อใดก็ตามที่พูดถึงเรื่องของความรักเรามาักจะนึกถึงพระธรรมพระธรรมอะไรครับหนึ่งโครินปีที่สิบสาที่อาจารย์เปาโลพูดถึงเรื่องของความรักแบบพระเยซูหรือความรักแบบอากาเป้แต่เมื่อ เรานึกถึงแล้วแล้วเรามีโอกาสได้อ่านและทบทวนใกล้ควรดีๆในทางปฏิบัติไม่เกิดผลในการดาเนินชีวิตของเราในการที่จะทาตามสิ่งที่หนึ่งโครินบทที่13ได้บอกกับเราไว้หลายคนอ่านและดีใจอยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวของเรา แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราลำพังเราทําด้วยมีตัวเราเองเป็นจุดศูนย์กลางสิ่งที่ยอนต้องการจะบอกในพระธรรมตอนนี้ในหนึ่งยอนบทที่4ี่ข้อเข้อแก็คือคริสเตียนที่ไม่ได้แสดงความรักออกมาอาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่ได้บังเกิดจากพระเจ้าหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาไม่ได้มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า เพราะตัวมีตัวที่ชี้วัดการติดสนิทกับพระเจ้าก็คือการที่เขาจะสามารถสำแดงความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในชีวิตของลูกๆของพระเจ้าทุกคนออกมาแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นความรักตามปกติวิสัยของมนุษย์ไม่ได้ใช่ไม่ใช่เป็นความรักที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงดังนั้นความรักต่างๆเหล่านี้จึงเป็นความรักที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขเต็มไปด้วยการหวังผล ต้องการรักที่ตอบแทนผมอยากจะให้พี่น้องมีิกาได้นึกถึงวันที่พี่น้องมีิกาสได้เข้าสู่พิธีสมรสวันที่ท่านได้มรโอกได้ปฏิญาณให้คำมั่นสัญญาต่อผู้ประกอบพิธีตลอดจนผู้ที่มาแขกเรือที่มาร่วมงาน ท่านได้กล่าวคาว่าอะไรไปบ้างไม่ว่าจะมั่งมีไม่ว่าจะสุขสบายไม่ว่าจะร่ารวยเพียงเท่านั้นหรือไม่ใช่ชีวิตต้องมีสองด้านเสมอมีสุขก็ต้องมีทุกข์แต่อย่างน้อยเราทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าเราทั้งสองจะผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ทรงเสริมกำลังเราทั้งสอง ถ้าเราเดาเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ า, าโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นชีวิตโดวเดียวชีวิตคู่ของเรากับพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถนำชีวิตคู่ของท่านตลอดจนครอบครัวของท่านให้สามารถมีชีวิตที่สําแดงความรักของพระเจ้าออกมาได้แต่ถึงแม้ว่าคริสเตียนทุกคนจะมีลักษณะด้านใดด้านหนึ่งของพระเจ้าในชีวิต เขาก็จาเป็นจะต้องที่จะต้องเริ่มกับพระเจ้าใหม่ทุกๆวันโดยการมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์เมื่อทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็ต้องสารภาพกลับใจใหม่แล้วก็เริ่มชีวิตใหม่กับพระเจ้าทุกวันเช่นกันและนี่คือเหตุผลในเรื่องของความรักประการแรกว่าทำไมเราจึงต้องรักซึ่งกันและกันเรื่องของความรักประการแรกเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าเรื่องของความรัก ประการที่สองเป็นความรักที่สำแดงทางพระเยซูปรากฏอยู่ในข้อ9และข้อ10โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชิญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา ในที่นี้ยอนต้องการจะชี้ให้เห็นถึงยอนบทที่3ข้อ16ซึ่งกล่าวว่าเพราะความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระองค์จึงทรงใช้พระเยซูมาเพื่อทำให้เราทั้งหลายมีชีวิตมีผู้ที่กล่าวว่าความรักของพระเจ้าได้ปรากฏให้มนุษย์เห็นชัดเจนโดยทางพระเยซูซึ่งเราทุกคนคงเข้าใจถึงความหมายนี้ดี เข้าใจถึงความรักที่พระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวพระองค์ดีเพราะเราพูดกันหลายครั้งและไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของพระเจ้าที่ประทานพระบุตรองค์เดียวพระองค์เราคงจะไม่ลงไปในรายละเอียดของการสิ้นพระชนของพระเยซูเพื่อไถ่บาปเราแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นให้เห็นก็คือแบบอย่างแห่งความรักที่พระเยซูทรงสําแดงออกมา ตลอดเวลาที่พระ อ, องค์ทรงมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์พระเยซูมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างมากแบบอย่างที่แสดงออกถึงความรักที่กําลังพูดถึงนี้พระ อ, องค์ทรงสั่งสอนสาวกมีเพียงเท่านั้นผู้คนที่ติดตามพระ อ, องค์ทรงทุ่มเทใช้เวลากับพวกเขาเหล่านั้นรักษาโรคกระทําการอัศจรรย์และอย่างอื่นๆ อ, อีกมากมายโดยพระ อ, องค์ไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าจะ ต้องเป็นชนชั้นไหนยากดีมีจนแต่สิ่งที่สำคัญคือพระองค์ทรงทราบความต้องการของเขาโดยเฉพาะความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณที่เขาขาดอยู่ดังนั้นพระองค์จึงรักพวกเขาอย่างที่ทุกท่านเคยมีการได้ยินว่าพร ะ, พระเยซูรักคนบาปแต่เกลียดความบาปดังนั้นพระเยซูต้องการที่จะช่วยให้มนุษย์ ขจัดความบาปออกไปจากชีวิตของผู้คนเหล่านั้นผมขอยกตัวอย่างตอนที่พระเยซูทรงเรียกมัทธิวในมัทธิวบทที่เให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำกับคนคนหนึ่งก็คือมัทธิวมัทธิวซึ่งเป็นคนเก็บภาษีในสมัยนั้นนอกจากจะเป็นที่เกลียดที่เกลียดจงเกลียดรงชังกับชนชาติยิวมากเพราะเขา เนื่องจากเขาเป็นนายเก็บภาษีเป็นคนเก็บภาษีเขาจึงมีคนที่ไม่ชอบและสิ่งที่แสดงออกมาจากชีวิตเขาก็คือนอกจากเขาจะจะยักยอกเงินจากรัฐบาลโลมและเขายังรับเงินที่จะทำให้คนยิวบางคนบางกลุ่มที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีและที่สำคัญก็คือเขาขูดรีดคนที่เป็น คนจนคนที่ขัดสนเราขูดรีดเพื่อจะเก็บเงินให้ได้เก็บเงินให้ได้ดังนั้นเนี่ยชาวยิวจึงเกลียดพวกคนเก็บภาษีมากเกลียดมากกับธรรมดาดังนั้นชาวยิวจึงมีกฎหมายที่ห้ามคนเก็บภาษีเข้าไปในธรมารมศาลาห้ามคนเก็บภาษีที่จะเป็นพยานพูดในเรื่องของพระเจ้าบี นักศึกษาบางทีบางท่านได้ยกตัวอย่างว่าคือจัดลำดับคนเก็บภาษีอยู่ในลำดับที่เหมือนอสัตว์ที่เป็นมีมวลทินนะครับถูกไปถูกจัดไว้ในลำดับเป็นคนบาปคนบาปอยู่กลุ่มเดียวกับพวกคาตกรพวกขโมยนะครับเป็นเาเรียกว่าเป็นชนชั้นเลวของสังคมยูก็ว่าได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจาก พระเยซูก็คือท่ามกลางผู้คนอยู่หมู่มากที่อยู่ในชุมชนนั้นพระเยซูมองเห็นมัทธิวอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากพระเยซูรู้ถึงความต้องการความรู้สึกโหวงของเขาที่เป็นคนบาปและต้องการได้รับความช่วยเหลือให้พ้นจากบาป ทีนี้ไอเปนบทสะท้อนให้เราเห็นถึงแบบอย่างอย่างชัดเจนของพระเยซูแตกต่างจากเราทั้งหลายเวลาเราเห็นคนที่เขาทําความผิดไม่ต้องถึงขนาดทําำบาปเอาแค่ทาผิดเราก็อาจจะมองข้ามมองไม่เห็นหรือมองผ่านไปแล้วไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนเหล่านี้ที่เขาทําผิดแล้วเราก็กาไว้ใน ความคิดของเราจำไว้แต่สิ่งที่เขาทำผิดแต่พระเยซูทรงสำแดงความรักพระองค์ไม่เพียงแต่เรียกมัทธิวให้ติดตามพระองค์พระองค์มบียรกาได้ไปรับประทานอาหารที่บ้านกับมัทธิวรวมกับเพื่อนๆของมัทธิวซึ่งเป็นคนเก็บภาษีเป็นคนบาปที่สังคมตราว่าเป็นคนบาป ร่วมกวับสาวกของพระองค์สิ่งนี้เองที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะมาทบทวนใไข่ครวนดูในชีวิตของเราว่าเราได้ให้โอกาสยังไม่ต้องถึงแสดงความรักแค่การให้โอกาสกับคนที่เขาอาจจะผิดพลาดในเรื่องบางเรื่องเราสามารถที่จะให้อภัย แล้วก็ให้เขามีกาสได้เริ่มดำเนินชีวิตใหม่ให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งได้ไหมสิ่งที่พระเยซูไม่เพียงแต่สอนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทาให้เราเห็นในพระธรรมบทนี้จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในเรื่องของความรักประการที่สองที่ว่าทำไมเราจึงจึงต้องรักซึ่งกันและกันเรื่อ ง, องความรัก หเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าสองเป็นความรักที่สัมแดงทางพระเยซูและเรื่องของความรักประการสุดท้ายความรักนี้จะออกมาจากชีวิตของเราประากฏอยู่ในข้อ11และข้อ12ท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลาย และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราสองประการที่ผ่านมาทำให้เรามั่นใจนะครับว่าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นกันถ้าเรามั่นใจถ้าเราในใจเราตอบว่ามั่นใจเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยตามพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้และในข้อนี้บอกกับเราว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าเราเองก็เช่นกันอาจจะรู้ว่า พระองค์ทรงประช อ, อยู่มีพระองค์เราไม่เคยเห็นแต่เราอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างเป็นประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งเกิดขึ้นในแต่แตละคนซึ่งแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่สําคัญคือการแสดงออกของเราเราต้องรักซึ่งกันและกันถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าสติดอยู่กับเราเราต้อง รักซึ่งกันและกันเราจะทําให้ผู้คนรอบข้างมีโอกาสได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเห็นถึงความรักของพระองค์ที่มีอยู่ในชีวิตเราและนําพาเขาให้มีโอกาส ไ, ได้รู้จักกับพระองค์เพราะยอนไม่ได้บอกให้เรารักพระเจ้าแต่บอกให้เรารักผู้อื่นเพราะความรักของเราอาจจะไม่เพียงพอที่จะตอบแทนกับพระเจ้าแต่สิ่งที่เราต้องทําหรือสิ่งที่เราทําได้ก็คือ การที่เราสามารถจะแบ่งปันความรักนี้ให้กับผู้คนรอบข้างโดยเฉพาะผู้คนในคริสตจักรพี่น้องคริสเตียนของเราเพราะเราต่างต่างก็เป็นลูกของพระเจ้าเรามีอะไรบางอย่างมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่สืบถิออยู่ภายในเราสื่อสารกันเป็นเป็นสิ่งที่ที่ง่ายในการที่เราจะจะจะเข้าหากันเมื่อเชา้าผมมีการได้สอน พัมพีปฐมาการนะครับเขพูดถึงตอนที่ยาโคบกับเอซาวเขาบาดหมางกันผ่านไปหลายปีแต่สิ่งที่เขาอาคาดไว้ที่ยาโคบที่เอซาวอาฆาดไว้เมือ่อเมื่อมาเจอกันกับตาตาลปัดนะครับเจอกันสวมกอดกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามีความรักถ้ามีการให้อภัยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ พี่น้องไม่เพียงแต่เป็นพี่น้องในครอบครัวเดยียวกันนั้นพี่น้องในคริสตจักรก็เช่นกันเพราะก่อนหน้านี้พระเยซูเคยให้บัญญัติไว้สองประการคือจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังความคิดและและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและพระเยซูก็ให้บัญญัติที่แตกต่างออกไปโดยพระองค์จำกัดวงแคบมาไม่เอาเป็นผู้อื่นและเข้ามาให้มีความรักอยู่ในกลุ่มของผู้เชื่อเดียกัน รักซึ่งกันและกันพระองค์ยิงตัดว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเพลงที่คณะรับรองร้องไปถึงแม้ว่าภาษาไทยจะแปลว่าเชื่อในพระคิตดรักกันสนิทแต่ภาษาอังกฤษยแปลเช่นั้นแต่ในชื่อเพลงเชื่อในพระคิดรักกันสนิทก็เป็นอย่างนั้นได้นะครับเราคงจะเห็นภาพที่สวยงามนะภาพที่สวัยเกียรติพระเจ้า เราทุกคนต่างก็เชื่อในพระคิดนะครับดังนั้นเนี่ยรักรักกันสนิทนะครับรักกันสนิทสิ่งที่ทั้งพระเยซูสอนและยอนนำมาสอนเราวันนี้อีกทีนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเพราะพระเยซูทราบดีว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะรักคนที่ทำดีต่อตัวเอง บอกคนคนนั้นเขาสามารถแสดงความรักตอบได้เพราะว่าเขาได้รับการทำดีได้รับความรักบางครั้งอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะแค่ความคิดเห็นตรงกันแนวทางเดียวกันก็ไปด้วยกันครับดังนั้นคริสเตียนจึงมักจะรักพระเจ้าในเวลาที่มีความสุขเว่านั้นรู้สึกดีมีความสะดวกสบายได้รับการนับหน้าถือตาได้รับการยกย่องรับถือ แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดอุปสรรคปัญหาเข้ามาอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็าอาจจะไม่สามารถมีรอยยิ้มบนใบหน้าไม่สามารถที่จะยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างแต่พระพีบอกกับเราว่าพระเยซูบอกว่าเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันอย่างนั้น ย้อนให้ความหมายของความรักนี้ว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนบาปซึ่งเราก็คงจะต้องยอมรับจุดนั้นเพราะเราทุกคนรู้แล้วแต่เป็นคนบาปที่ได้รับการชําระได้รับการแก้ไขจากพระเจ้าดังนั้นใครที่ได้รับความรักนี้ได้รับการสัมผัสนี้เราต้องสําแดงความรักออกมา ในหนังสือห้าภาษา5ภาษาัะที่พระเยซูแสดงออกต่อเรานะครับได้พูดถึงหลักการบางอย่างที่เราสามารถนาไปใช้ได้นะครับก็คือถ้าเราจะพูดนะครับขอให้เป็นคำพูดที่หนุนใจเป็นคำพูดที่เสริมสร้างหวังว่าจะให้เห็นเขามีพัฒนาการเติบโตขึ้ น, นครับให้เป็นคำพูดที่ดีคาพูดที่สารเสริญพระเจ้าออกจากปากของเรา เราจะแสดงความรักเราแสดงความรักต่อผู้อื่นนะครับทำพระมพีรบอกว่าทําดีกับผู้คนโดยเฉพาะถ้าเป็นพี่น้องคริสเตียนนะครับ mm hmm. ก็เหมือนก็จะมีการได้ทําดีทําสิ่งดีกับพระเจ้ากับพระเยซูเช่นเดียวกันการใช้เวลาในการเฝ้าเดียวอธิษฐานอ่านพระมพีรจัดเวลาไม่ใช่มีเวลาเหลือแล้ว ค่อยเข้าหาพระเจ้านะจัดเวลาและจดจ่อในการที่จะเฝ้าเดี่ยวถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่จะมีความหมายต่อชีวิตเรามากถ้าเราเริ่มต้นทำการรับใช้เช่นเดียวกันอยากคิดว่าเป็นหน้าที่แต่คิดว่าสิ่งนี้เราทำด้วยความเต็มใจทำทำด้วยความสุข และการรับใช้พระเจ้าที่ดีที่สุดก็คือการรับใช้ผู้คนสุดท้ายการแบ่งปันการให้ความช่วยเหลือครับรวมถึงการถวายและโดยเฉพาะถวายตัวของเราครับให้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเราในแต่ละวันเราจะสามารถรักคนอื่นได้แค่ไหน และรักได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เรามีส่วนใหญ่แล้วคนเป็นมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นจริงคือถ้าเขาอยู่ในครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นเขาจะสามารถแสดงความรักออกไปได้ง่ายแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะทุกคนที่เชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกติดสนิทกับพระเจ้าเขาสามารถจะทบางสิ่งบางอย่างที่เหนือความคาดหมายของมนุษย์ แจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนรอบข้างสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าพี่นาา้องคงทราบว่าปีของคริสต์จากนะครับปี2018นี่ก็คือร่วมใจรับใช้หรือ together we serve นะครับพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ2พูดถึงการแบกภาระของกันและกันนะครับและเช่นเดียวกันครับการที่คริสเตียน แบกภาระของการละกันเป็นการสแสดงออกถึงความรักเป็นการให้ความช่วยเหลือกันเพราะในภาษาเดิมนะครับในภาษาเดิมเนี่ยเป็นภาพของคนแบกของหนักบนหลังนะครับแล้วก็เดินไปโดยมีอีกคนหนึ่งซึ่งแบกของหนักเหมือนกันเดินตามหลังมาแต่เขาช่วยพยุงของหนักที่คนข้างหน้าเดินนำไปแล้วเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นทดอทด อ, ท อ, ทอจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ เป็นภาพที่สวยงามแต่เสียดายผมไม่มีภาพนำมาให้ดูนะครับนะครับอันนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างที่พระพีกราเทียบที่หกข้อสองได้บอกไว้รรเราต้องเข้าใจนะครับว่าค่านิยมของเราครับหมือที่พระเยซูบอกว่าเป็นค่านิยมทวนกระแสะครับจะแตงต่างจากชาวโลกนะครับ การช่วยเหลือเกลือกูลโดยเฉพาะการช่วยกันแบกภาระเนี่ยนะครับเป็นการแสดงออกถึงความรักดังนั้นเนะี่ยและยิ่งคนของพระเจ้านะครับเป็นลูกของพระเจ้าเนะี่ยต้องสําแดงสิ่งนี้ออกมานะครับเพราะท่านพี่พูดด้วอย่างชัดเจนว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันคนทั้งปวงก็จะรู้ว่าเจ้าเป็นสาวกของเราดังนั้นใครที่เขตามที่ยอมแบกภาระยอมช่วยเหลือผู้อื่นนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าเป็นการแสดงออก ถึงความรักของพระเจ้าเช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุผลในเรื่องของความรักประการสุดท้ายว่าทําไมเราจึงต้องรักซึ่งกันและกันนะครับเพราะความรักเป็นพัลลักษณะของพระเจ้าที่สําแดงผ่านทางผู้เชื่อแล้วเราทุกคนก็เป็นผู้เชื่อดังนั้นสิ่งนี้สมควรจะออกมาจากชีวิตของเราสุดท้ายนี้ผมคงจะให้ทท่านเดี๋ยวเราจะมีการได้ร้องเพลง หลังจากเทศนานะครับเพลงนี้ชื่อเพลงรักมอบถวายประคตดก็อยากให้ทุกท่านมีโอกาสได้ร้องและใกล้ควรถึงเนื้อหาของเพลงไปนะครับและขอให้เป็นคำอธิษฐานของทุกท่านที่จะมอบถวายชีวิตกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเรื่องของความรักวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันประการที่1เป็นความรักที่มาจากพระเจ้าประการที่สอง เป็นความรักที่สําแดงทางพระเยซูและประการที่สามความรักนี้จะ อ, อกมาจากชีวิตของเราอาเมน